คิดมันไม่คิ ด, ม, ค ด, ม, ค ด, ม, คดมันมีความอยากกเ็เหมือนถัดขันของกเราธรรมดาเห <c oughs> ็นมั้ยอยากไมีหัวาหานถึงทานโลงไปมันคงมีรสชาติอร่อย อ, อร่อยอ <c oughs> ใจจิตไม่สัมผัสกับเรื่องของอัจของทำก็ทำนองเดียวกันมันมีความอยากความหิวหย ตูปยาปต้นใจปตูฟังกับยาฟังเป็นใจฟังเหมือนกับขาดขันเหมืนหิ้วทานอะไรเข้าไปก็อร่อยอร่อยการทำธรรมในสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันก็เหมือนกันเราไปเที่ยววิเวกนานๆมาได้สำหรับรับฟังครูอาจารย์ท่านอธิบายธรรม รู้กว่ามันซาบซึ้งถึงจิตคถึงใจมีรสชาติดีถ้าฟังบ่อยๆก็ไม่ค่อยจะมีรสชาติอะไรให้แะ่นั้นทุกคนที่มืองมันมาประพฤติปฏิบัติศีลธรรมพูต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติโดยตัวเองรือว่าการเวลากิน ชีวิตขอเราไปทุกขณะทุกวินาทีนาทีชั่วโมงเราใกล้สอบพามตายออาไปทุกวันทุกเวลาผลงานวามดีของมีค่าในตัวของเรามีอะไรบ้างมันสอบสืบทีนี้พิจารณาเมืมเเม่อเราตายไปเราจะไปที่ไหนมีอะไรเป็นจีบอบอุ่นใจก่อนที่จะล่างไปในชีวิต ชาติหนึ่งให้คำหนึ่งคำนวณ ห, ห, หาว่าชีวิตของพวกเราเป็นของทีดจะกล่าวหน้าไปถึงความตายทุกระยะทุกเวลาความตายไม่ใช่ของอยู่ไกลอยู่ใกล้หากเราที่จใจหนาจริงจังที่แบบมีชีวิตมีว่าอยู่ได้เท่านั้นปีแถวนี้เดือนนั่นเป็นเรื่อง ความผ่านการเวลามาเท่านั้นชีวิตจริงๆก็ยงลมหายใจออกไม่เข้าปวดของตายเข่าไม่ออกปวดของตายหมาว่าผู้หญิงผู้ชายหมาว่านักบวชหรือน่งนึ่งหัดเพียงแค่นั้นแหละชีวิตของมนุษย์เราแต่คุณงามความดีที่เรามีชีวิตผ่านมาในอดีตหรือปัจจุบันเป็นเครื่องวัดว่าเรา ดีชั่วขนาดไหนได้อะไรเป็นเครื่ององคุ่ใจในการเิดมาเป็นมนุษย์ในสร้างคุณงามความดีจึงเรียกว่าบุญกุศลเพียงพอบรอิบูรณ์หรือยังแต่ยังบกท่องแขนไหนจะได้เพิ่มเติมเสริมต่อให้คุณงามความดีทวีขึ้นไปเมื่อเรามีคุณงามความดีภายในใจหมายถึงบ้า ทางกายเราได้ทำไปด้วยความสุจริตทำป้ายจจได้พูดไปในสุจริตทำเหมือนกันใจได้คิดติดตามเรื่องอัดทำมาตามกําลังความสามารถความชั่วช้าลามกอะไรที่กายจะทำา้ายาจจะพูดจิตจะคิดไม่เคยมีส่วนบุญกุศลซื่เป็นเรื่องภายนอกหรือเรื่องภายใน หมายถึงการเสียสละการให้ทานเราได้ทํามากน้อยแค่ไหนการให้ทานวัต ถ, ถุภายนอกเราได้ทานมามากขนาดไหนการสละให้ทานภายในตัวเด็กให้ทานความสฉื่อช้าลามกให้ตกไปจากใจของเรามีขนาดไหนใจของเราเยือกเย็นยังพอบริบูรณ์หรือไม่มันตรวจ อบในตัวของตัวอยู่สม่ำเสมอได้ชื่อว่าปูมาฝุกอบรมตัวของตัวไม่อย่างนั้นวันคืนปีเดือน <c oughs> กินชีวิตไปเปล่าๆผลที่สุดวันนี้ก็หมดไปคืนนี้ก็หมดไปวันใหม่มาก็ของเก่าไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ชีวิตหมดไปหมดไปเท่านั้นคุณค่าราคาอะไรไม่มีเมื่อตายเราจะได้พึ่งพาอาศัยอะไร ใจของเรายังมีกิเลสตัณหายังมีอุปาทานอยู่ภายในใจการเยนว่ายตายเกิดไม่ต้องสงสัยอย่างไรเราก็จะต้องเกิดอีกเป็นแน่เพราะใจของเรายังไม่หมดเชือ้อคือกิเลสตัณหาเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะไปเกิดที่ไหนก็ดูใจไปัจจุ บ, บันาใจมีความทุกข์ใจเดือดร้อนใจเศร้าหมอง เรากอเดี๋ยไปเกิดในสถานที่ไมนดีเพราะไปโดยความมืดไม่ทราบว่าจะไปตกแข่งฝนตำบลใดจะไปสู่พบน้อยพบใหญ่ที่ไหนเพราะความมืดของใจไม่มีความสว่างสวัยจะไปให้ถูกแต่โน่นทางไม่ได้เพราะใจไม่มีความสว่างอะไร <c oughs> ที่อยู่ในิตในใจของตัวแต่นั้นพระพูทใจจ้าจึงสอนให้สแสวงหาคุณงามความดี ให้มีแสงสว่างภายในใจถึงแม้จะไปเกิดพบน้อยพบใหญ่โดยอำนาจความสว่างท้องใจไปเกิดได้ตามความหมู่หมายปรารถนาเพราะเราไปด้วยความสว่างภัยอันตรายในระยะทางยอมไม่ค่อยจะมีขึ้นเหมือนคนที่มีคนมีไฟติดตัวไปหลุมบอกลร่้จักหลับต่อก็รู้จับไม่ไปโดนไม่ไปตก นี่หมายถึงผู้ที่มีความสว่างสวัยพบใดที่จะเป็นทุกข์แรับความลาบากอยากเย็นอย่างนั้นอย่างนี้ผลีเลีน่นีได้เพราะเรามีความสว่างมองเห็นถนนหุนทางมองเห็นที่จะไปนี่จิตใจของหลวงเราท่านเมื่อได้สะสมคุณงามความดีกล่าวคือทานศีลภาวนาไว้ก็มี ความสว่างภายในใจจะไปสถานที่ใดก็ ม, มีความสุขพอสมควรตามฐานหน้าหน้าที่เหมือนคนตาดีเรามีแสงสว่างจิตตัวไปไปก็ไม่มีภคยอันตรายฉังนั้ น, นท่านจึงเสกสร้างคุณงามความดีเอาไว้คุณงามความดีก็คือความสว่างสวัยภายในจิตในใจของคนเราจะเรียก เกิดตามความต้องการไม่ได้หากไม่มีความสว่างสวัยไม่มีใจบริสุทธิ์ไม่มีใจเป็นบุญเป็ น, นกุศลเด่นนั้นคนเกิดมาจึงผิดแปลกแตกต่างกันถึงรูปร่างก่างตัวจะเหมือนกันแต่สติปัญญาวิชาความรู้ความสุขทุกข์ผิดกันบางสันบางคนเกิดมามีแต่โรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา บางท่านบางคนกวดมาอดยากจนไม่มีอะไรที่จะอยู่จะกินที่หลับที่นอนก็ไม่สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างไปขาดแนนทนอดจนเท่านั้นเรื่องเหล่านี้ในทางพระพุทธศา ส, าสนาท่านสอนเร้ว่าเป็นเพราะกรรมของเขากรรมที่เขาสร้างสองมอบรมเอาไว้สนับสนุนให้ ส่งเข้าไปสู่ที่อย่างนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มองเห็นแต่กรรมชั่วช้ารามกนั้นสามารถที่จะดึงบุคคลดึงจิตนิสัยดึ ง, จ, ดดดงจิต ด, ดึงใจของผู้สร้างไว้ให้ไปตกในสถานที่อย่างนั้นไม่ชอบอกชอบใจก่อตามแต่ก็ได้ไปเกิดได้ไปอยู่ได้ไปอาศัยเพราะกรรมชั่วที่ตัวสร้างเอาไว้ ดึงดูดไปติดเหมือนกันกันกบเหล็กตามเหมือนกันกันกบแม่เหล็กสามารถที่จะดึงดูดเหล็กเล็กๆให้ติดไปได้มีพวกเราทั้งหลาย <c oughs> ที่มาบวชเรียนเชิญอ่านก็ดีพวกที่มาศึกษาธรรมะธรรมโมมาปฏิบัติก็ดีก็ได้ชื่อว่ามาหาแสงสว่าง ใส่ตัวท้องตัวสร้างสูว ง, งามความดีเอาไว้สามารถที่จะไปถูกต้องตามจุดหมายปลายทางท้องตัวมาอย่างนั้นถากสร้างกำลัวเอาไว้ก็จะเป็นไปตามในที่อธิบายมาคนที่มีความอยากจนขนแค้นไม่มีสมบัติพัฒนาอะไรต่อเนื่องจากเขาไม่เคยให้ทานทำการสุขสนอะไร คนที่มีโรคไข้เบียดเบียนถึงจะมีทรัพย์สมบัติมากมายร้ายหลวงขนาดไหนก็ไม่มีความปลูกใจเพราะท่ายไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้โรคไข้เบียดเบียนอยู่ทุกการทุกเวลาเนื่องจากขาดการรักษาศีลหราออย่างนั้นทางศาสนาท่านสอนเอาไว้คนที่มีสติปัญญาไม่ค่อยดีเป็นคนโง่เง่าเต่าตุตน ก็เพราะเหตุที่ไม่ตั้งนาตั้งตาอบรมทางภาวนามีเป็นทางที่จะนำมาถึงความสุขผู้ที่ได้ห้ทานรักษาศีลจเจริญเมตตาภาวนาจะพร้อมไปด้วยสมบัติภายนอกสมบัติภายในหมายถึงสมบัติภายนอกก็สมบูรณ์ปูนสุขสมบัติภายในอือโรคใครก็ไม่เบียดเบียนมีร่างกาย สงางงามด้วยอำนาจของศีลจิตตนเคยรักษาเอาไว้คนที่อบรมใจทางภาวนาก็จะเกิดสติปัญญาความเฉลียวฉลาดเมื่อเป็นเจนนั้นเราทุกท่านก็มีหน้าที่ที่จะกระทำบาเพ็ญทานเราก็เคยให้ศีลเราก็สมาทานศึกษาหรือวิรัษ์เอาในใจของเรา ภาวนาเราวองมุงหน้ามุงตากระทาให้เกิดเป็นเห็นรู้เพราะทุกคนมีอยู่อัดทมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่มีรูปประรรมนามธรรมามีประจาทุกท่านอะไรเป็นรูปประรรมสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาทุกสิ่งทุกส่วนไปถ้าหากเรามีปัญญาแน่สอนเราน้อมสิ่งนั้นเข้ามาสอนจิตสอนใจของเราสิ่งนั้นจะเป็นธรรมขึ้น ไม่ว่าอะไรทั้งหมดเป็นธรรมไปหมดเหมือจิตของเราเป็นธรรมเหมือจิตของเราไม่เป็นธรรมอะไรก็ไม่เป็นธรรมให้ถึงจะเรียนจบถ้าายปีดกิตใจไม่เป็นธรรมก็มีความเดือดร้อนวุ่นวายกิเลสตัณหามานาทิปก็ไม่มีอะไรที่จะตกไปจำได้แต่ชื่อของมันตัวจริงของมันเป็นอย่างไรมันมีอยู่ที่ไหนที่ท่านว่ากิเลสคาม ใช่ความเศร้าหมองของใจการหาความอยากมันอยากอยู่ที่ไหนอะไรมันอยากไม่ได้น้องนึกคิดทิ่นี่พี่เจรินาไม่มีทางที่จะชาระไม่มีทางที่จะปาดเป่ามันไปถึงเรียนมากขนาดไหนใจมันก็ไม่มีความสว่างสวยัยใจมันก็ไม่เห็นภยัยใจมันก็ไม่แกะไขเรื่องกิเลสปัญหาส่วนนั้น ใจเคยมืดบอดอย่างไรก็มืดบอดอยู่อย่างนั้นความอยากที่เคยมีอยู่อย่างไรก็ทับผมอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะเบาสบายไปเหตุนั้นพวกเราท่านก็เคยได้ยินได้ฟังและได้เกิดได้จำามาจ่าํำหรับํำลาพอสมควรโอกาสเวลาที่เรามาพักพาอาศัยมาบวชเป็นพระที่ส่สามมาเนนก็ดีมา อยู่ในสถานที่วัดซึ่งเป็นคลือหัดก็ดีก็มุ่งมั่นมาปฏิบัติจิตใจของตัวไม่ใช่มาเล่นมาเปะปะมทินปอบปันทม่นพินิจพิจารณาให้ได้อุบายปัญญาเกิดขึ้นจากการกระทาขของตนวันนี้ได้รู้ได้เห็นอะไรจิตใจเยือกเย็นหรือไม่หรือจะมองคุหมัวไปเพราะอารมณ์อันใด มันสืบสอบทีนี้พิจารณาแก้ไขจิตใจของตนที่ข่องติดต่างๆเมื่อเราทุกคนสอบสืบทีนี้พิจารณาจิตใจที่เคยวุ่นวายตังวลกับอารมณ์ทัญญาต่างๆอยู่สม่ำเสมอจนสอนมันให้เข้าใจชัดเจนว่าอารมณ์ที่เราเคยติดตามเรื่อยๆไปนั้น ตัง้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันไม่มีอะไรการที่จะเป็นเรื่องแก่ีิเลไม่มีอะไรการที่จะทำให้เราเบิกบานหันษาไม่มีอะไรการที่จะทำให้สติปัญญาดีขึ้นเวลานี้เรามาฝึกอบรมจิตที่เคยฟุ้งเฟิงเคยวุ่นวายต่างๆเข้าสงบเราจะไม่จิตตามอารมณ์สัญญา อะไรที่เคยผ่านมาหรือลุงขึ้นจากจิตของเราเราจะเอาทำบริกรรมหรือแข่งที่นิดอันหนึ่งอันใดจับจุดเก็บ จ, จ่ออยู่นั้นชนจิตปล่อยวางสัญญารมต่างๆเขามารวมตัวเป็นสมาธิรวมลงสู่จุดเดียวเบาสบายทั้งกายทั้งจิตมีความอัศจรรย์เกิดขึ้น ความสุขของสมาธิความสุขของการภาวนาเป็นอย่างนี้ได้รู้เห็นกับตาตกับใจของตัวได้ดื่มรสของอาจของธรรมใจจะเชื่อมัน่นอยากประพฤติปฏิบัติอาจทำเรื่อยไปไม่อย่างนั้นความเชื่อความเริ่มใสก็จะไม่เกิดขึ้นไม่เป็นขึ้นจะให้มันอยากเองไม่บังคับบัญชาจใจมัน พอตัวเองมันเป็นไปไม่ได้จิตใจของไฟทั้งหมดเป็นอย่างนั้นต้องบังคับบัญชาหาเรื่องแนสอนมันผูกมัดรัดตัวมันไว้อย่าให้มันไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาเพราะใจของเราเคยถูกกิเลสตัณหาดึงจมูกไปจูงจมูกไปอยู่ทุกวันทุกเวลาเวลานี้เราเป็นคนเป็นชะ ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาพอสมควรแล้วเราจะแนะสอนตัวข้องเราให้มีกฎมีเกณฑ์ให้อยู่ในขอบในเขตขอบเขตก็คือเมื่อเราจะบริกรรมขอให้หยุดแต่ในทําบริกรรมของตนเอารมณ์อื่นหมื่นแสนจะมาผ่านไม่เกี่ยวข้องจะให้อยู่ในสถานที่นี้จนจิตรวมได้ลงได้ นี่เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะฝึกฝนฝ่าฝืนที่เลียดตันหาไม่ว่าจะตัวของพวกเร า, า, พ, เาพ่อพุทธเจ้าพระองค์ก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะดีเด่นเป็นขึ้นเองมีความอยากเที่ยว ก, ก่อนถึงค่อยจะได้รับทำตามมันไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็บังคับพราใชยของพระ อ, องค์กะทาบาเพ็ญหากว่าจิตใจ มันหลุดพ้นไปเองมันมีความอยากความหิวทางธรรมะจึงค่อยจะทำกันมันเป็นไปไม่ได้ในระยะถี่จิตใจของเรายังไม่เข้าถึงธรรมะมสาวบัตธรรมะมีรสชาติเป็นอย่างไรเหมือนอาหารที่เราไม่เคยรับทานเราก็ไม่เคยมีความอยากเราอยากก็คือเราเคยพบรสชาติของอาหารสิ่งนั้น ามีความอร่อยอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้จึงมีความอยากขึ้นชันใดจิตใจของพวกเราท่านยังไม่ได้เห็นธรรมะยังไม่ได้ดื่มธรรมะยังไม่ได้สัมผัสธรรมะก็ทํานองเดียวกันจะให้มันยากมันไม่มีเวลาที่มันจะอยากต้องบังคับบัญชาเรีย ก, ก่อนะจนข้อแบบข้อแขนจนไปเห็นไปรู้ในธรรมะอันหนึ่งอันใด ซึ่งใจได้ทำผัดใจได้รับรู้ใจได้ดื่มรสจะเชื่อมั่นว่าธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้ามีรสชาติดีเด่นประเสริฐอย่างนี้แล้วความอยากจะเกิดมีขึ้นอยู่ในสถานที่ใดมุ่งมั่นจะประพฤติใจของตัวให้ได้รับอาจทำให้รู้เห็นอาจทำอย่างนั้นเพราะธรรมเป็นเรื่องอจจจัศจริยธรรมเป็นเรื่องดีเด่นวิเศษ นีเป็นการแก้จีเรียญในตัวสร้างความดีใส่ตัวนั่นแหละดีกว่าสร้างความชั่วใส่ตัวความชั่วเราไม่ปาถนาทุกคนไปความชั่วของกายก็ไม่ปาถนาของวาจาและใจก็ทำนองเดียวกันเมื่อเป็นอย่างนั้นความชั่วอะไรเป็นความชั่วทุกคนก็พอรู้จักว่าความชั่ว เป็นสิ่งที่ไม่ปราถนาสิ่งที่ไม่ปราถนาทั้งทั้งหมดเรียกว่าความชั่วความไม่ต้องการของเราความดีเล่าสิ่งที่เราปราถนาโดยเตือนใหญ่ถามว่าชนิดที่เจรณนาภายในก็คือความสุขความสุขเป็นสิ่งที่ปราถนาของสัตว์ของบุคคลทั่วไปเขื่อนเสือวความสุขแล้วอยู่ใลายก้อยหยั อยากไปเห็นอยากจะไปเจออยากได้อยู่ใกล้ก็ ย, ยิ่งก็ ย, ยิ่มใจอยากได้อยากเห็นความสุขอืน่นที่เราเคยผ่านมาจากหูจากตาจากโลกก็เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วความสุขส่วนนั้นเป็นความสุขจมปอมไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนท้าวรอนคือเมื่อเวลา <c oughs> เราประสบพบใหม่ก็สุขใจนานไปก็ เบื่อหนายความถูก ข, ของเรื่องตาเรื่องหูจ้มูกรีนเป็นอย่างนั้นเราเคยประสบพบเห็นกันมาแต่ก็เปลี่ยนฉากเลื่อยไปความหลงเข้าใจก็เลยหลงลื่อยไปส่วนความถูกของธรรมะความถูก ข, ของคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งเห็นยิ่งเป็นทุกวันทุกเวลา ก็ยิ่งกระยิบในกิตในใจไม่มีวันเบื่อน่ายเหมือนความสุขของเรื่องภายนอกเห็นนั้นความสุขที่จะเกิดเป็นเห็นรู้อย่างนี้ก็เพราะอาศัยการกระทำบําเพ็ญของพวกเราไม่ใช่ว่าความสุขนั้นจะวิ่งเข้ามาหาตัวของเราเองถ้าเราไม่พอสร้างขึ้นไม่บําเพ็ญให้รู้ให้เห็น คามปลูกนั้นก็ยังจะไม่เกิดไม่เป็นให้จะอยู่ในวัดในวาอยู่ในที่สงบสงัดขนาดไหนมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ฝูกไม่รักษาเหตุนั้นสัดป่ากจึงไม่มีสมาธิจึงไม่มีปัญญาจึงไม่มีวิมุตต์ในเขตสถานที่เงียบสงบแล้ววิเลตปัญหามันจะเงียบสงบไปตามเราต้อง ก่อนคิดทีนิพิจารณาบังคับบัญชาขับไล่ใส่สงเรื่องกิเลสตัญหาออกไปจากใจของเราโดยอุบายพิธีมีสติมีปัญญาซึ่งเป็นสันเลขาธรรมคือขาดเปล่ากิเลสอยู่สม่ำเสมออยู่อิริยาบถใดไม่ปล่อยวางสติไม่ปล่อยวางปัญญาฝึกซ้อมรักษาจิตใจของตัวอยู่สม่ำเสมอ เมื่อจิตใจไม่ได้ไปกาะเกี่ยวติดข้องกับเรื่องภายนอกก็มีเวลาที่จะรวมสงบได้จะมีปัญญาแนสอนใจของตัวก็เพราะความติดนึกฝึกซ้อมตัวของตัวเองไม่อย่างนั้นความรู้ความเห็นความดีความเด่นของอัตธรรมจะไม่เกิดขึ้นจะอยู่สถานที่ใดก็ของเก่าว่าทำแบบเก่า คิดแบบเก่าไม่มีการปรับปุงตัวสักทีไปสถานที่ใดที่เหลดก็ยังที่หลังนั่งคอไปไม่มีอะไรที่จะเปิดเผษิเศษเป็นอาจเป็นทำให้นี่คือใจที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่แน่สอนไม่ฝึกซ้อมตัวห้องตัวเป็นแบบนี้แต่นั้นพวกเราท่าน การสดับรับฟังธรรมธรสอนของพระพุทธเจ้าเคยได้สรดับรับฟังมาพอสมควรทุกท่านทุกคนหากว่าความจาของเราสัญญาเป็นนิจจังเราจะจําได้มากจนไม่สามารถที่จะพูดให้ัวถึงได้ น, นี่ไม่เป็นอย่างนั้นสัญญาอนิจจาไม่เที่ยงสัญญาณตาไม่ใช่ตัวตน ตกไปหายไปฉะนั้นเรามาฟังธรรมจากใจของเราเดี๋ยวนี้ใจของเราเลือดคิดติดตามเรื่องอะไรเป็นที่อบอุ่นในใจหรื อ, อยังหรือดจิดพุ่งพวงไปในอดีตอนาคตต่างๆแต่ปัจจุบันจิตใจสัมผัสกับธรรมอะไรได้แก้ไขเรื่องที่เดียดันหาอย่างไรมนันพ่นิดพิจารณามันศึกษา มันตอบดูเรื่องจิตใจอยู่สม่ำเสมอจิตใจเมื่อมีเจ้าหน้าที่คือสติปัญญารักษาเมื่อมันผิดอย่างไรก็ปรับโทษของมันแนะนมันเหมือ น, นกันกับโจรที่อยู่ในเมือของเจ้าหน้าที่มันก็ไม่ไปทําชั่วทําเสีย เพราะเหตุใดเขามันกลัวเจ้านาที่จิตใจของเราเมื่อมีสติปัญญารักษาขอทานองเดียวกันเรื่องชั่วเรื่องเสียต่างๆซึ่งมันเคยนึกคิดเมื่อมีสติรักษาเป็นนายประตูอยู่แล้วมันคิดอะไรเป็นไปทางอาัตทางธรรมหรือทางอธรรมเดี๋ยวเรามาศึกษามาปฏิบัติชอบอย่างนี้หรือความนึกคิดนี้ เป็นทางแก้ไขกิเลสหรือเพิ่มกิเลสมันจะต้องมีทางแนะสอนตัวของตัวไม่อย่างนั้นสติไม่มีปัญญาไม่มีจะไปอยู่ในสถานที่ใดปล่อยใจอย่างเดิมการจะฝึกหัดดัดตัวไม่มีมันก็ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นจะเป็นอาจเป็นทาให้ขอให้ทุกคนสนใจฝึก รวมตัวของตัวเพราะการแนะสอนก็เคยแนะสอนมาพอสมควรเคยได้ยินได้ฟังมาพอสมควรทุกคนข้อสาคัญด้านปฏิบัติของพวกเรายังไม่เพียงพอบริบูรณ์อาจทำจึงไม่เกิดขึ้นจึงไม่เห็นขึ้นถ้าหากเราฝึกจนฟังธรรมจากตัวเองได้มันสะดวกสบายทุกอินทรียบุที่เราอยู่นอกจากหลัก อาจทำจะได้กระดบาบเรบฟังอยู่สม่ำเสมอคือมันจะพูดขึ้นบอกขึ้นรู้ขึ้นเห็นขึ้นเพิ่มเชิญในความรู้ความเห็นความล่าความถอนของตัวนี่คือผู้ปฏิบัติทำผู้ฟังทำถ้าไปฟังจากคนอื่นมันก็มีการหลุ่มการหลงเราเราจะไปอาศัยคนอื่นเรื่อยไปบางทีสั่นตายไปท่านจากไป เราของเราเองก็ไม่มีที่พึ่นที่อาศัยที่ไหนเราต้องฝ่นตัวของเราเองอัตเหอัตโนโนาโถฝ่นตัวของเราเองเราทําดีจิตใจของเราก็ดีไม่หวุนหวี่หว่นวายคิดในการกระทําของตนก็เยือกเย็นเราพูดดีกวไม่กันนี่ตัวของเราเพราะเราไม่ได้พูดชั่วพูดเสียอะไรเราคิดดีก็มีความ สุขความสบายไม่วุ่นวายขัดข้องนี่การรักษาประตูที่จะไปสู่พบต่างๆก็ไปจากนี้ไม่ได้ไปจากที่อื่นไปจากกายวาจาใจถ้ากายพิดก็คือกายวาจาใจสามอันนี้แหละที่สั่นไปบัญญัติมาเป็นพระสูตรพระวินยัยพระปรามัติไม่ได้ออกไปจากที่อื่น เราศึกษาอยู่ในนี้จึงได้ชื่อว่าเราศึกษาถ้าใายปีดกศีล ส, สมาธิปัญญาก็อยู่ในนี้มรรคข้อปฏิบัติก็อยู่ในนี้ผลที่เป็นอานิสงก็เกิดขึ้นจากนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่นพระพุทธเจ้ารู้เห็นเป็นขึ้น จากพระไทยของพาอองค์ธรรมาษาสางรอยู่นี้ดับโลกดับนี้ไม่ได้ไปดับที่อื่นโลกกวิทูรูแจ้งโลกหรูอยู่นี้ไม่ใช่เด็ไปเที่ยวทุกหนทุกแข่งจึงว่าโลกกวิทูเขาพุทธเจ้านีสอนอย่างนั้นโลกอาบายโลกหรือมนุษย์โลกเทว่าโลกอมตะโล ก, ม, โลกมันอยู่ในจิไม่ได้อยู่ในที่อื่น ดับโลกสามที่พระพุทธเจ้าดับก็ดับอยู่ในทีน่นี้จิตใจปีดใส่คิดปิดชั่วก็เป็นเรื่องโลกต่ำโลกชั่วโลกอบายจิตีิคิดไปตามธรรมดาสามั น, มนุษย์ก็เป็นมนุษย์สมบัติจิตที่มีหิริอตตะปะอบาบาอายบาบ ไม่อยากจะทำเพราะกรรมนั้นจะแฝงเขาหรือติดจมตามตัวไปอะไรเชื่อว่ใจเป็นเทวโลกมีเทวธรรมจิตตั้งมั่นเข้าไปเป็นสมาธิมีการสมาบัติอยู่ในตัวของตัวก็เป็นพรหมโลกโลกมันอยู่ที่อื่นการพนโลกเรากู้ได้ติดผู้นั้นแหละจะพน คามผิดเป็นอย่างไรเราเคยเห็นมาความผิดของห้องใจเมื่อเราฝึกไปจนถึงขี่สุดวีมุดเกิดขึ้นเราไม่ต้องห้องใสจะเห็นไปจากในจิตในใจของตนซึ่งศึกษาในสถานที่นี้ซึ่งปฏิบัติในสถานที่นี้ไม่ต้องไปศึกษาที่อื่นไม่ต้องไปปฏิบัติที่อื่นฟังอยู่ในสถานที่นี้ชั่วดีมันต่อแสดงอยู่ทุกการทุกเวลาหากเราไปมองที่อื่น ดูที่อื่นไม่มองดูจิตใจของตนเองว่าเป็นอย่างไรก็จะไม่เห็นธรรมสักทีดีชั่วกวจะไปเหมาเอาที่อื่นต้องดูเข้ามาภายในเพราะธรรมเป็นโอปัญิโกน้อมเข้ามาดูภายในของตัวดีชั่วกว่จะเห็นละได้มากน้อย <c oughs> น้อยเท่าไรก่อนจะเห็นเพราะเราดูอยู่ทุกการทุกเวลา เรามาชำระเรามาสาสางเรามาทำดีไม่ใช่เรามาทำชั่วมาคิดชั่วมันสอนตัวอยู่มาเสมอการกินการนอนเราเคยกินเคยนอนมาพอสมควรความสูขจากกินจากนอนเราก็รู้จักอีกแล้วส่วนนี้ไม่ว่าต่างแกง่มนุษย์สัตว์ประหลาดมันก็ทำได้ จินได้ไม่เนคิดแปลกแย่งต่างอะไรเรื่องอารมณ์ชั่วซึ่งเป็นเรื่องของการมราคะตัดทั้งหลายมันก็มีเหมือนกันนี่เราเอามาปฏิบัติเราจะกำจัดมันเกิดมันคิดขึ้นแง่ไหนมุมใดซึ่งเป็นส่วนชั่วส่วนโลกเราก็จะต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ากำจัดปฏิบัติจิตใจแท้ข้ามผลไปจาก ตามกำนังบินดีต่างๆโดยอำนาจทิดนิพิจาณาโดยสติปัญญาว่าสิ่งหนนั้นความจริงของมันเป็นอย่างไรเมือ่อจิต่อเห็นเป็นจริงมันจะปล่อยจะวางจะละจะถอนความจิตของข้องใจและใจจะสุขใจจะสบายมีความสะดวกสบายมันไม่มีอยู่สถานที่ใดมันมีอยู่ที่กายที่ใจของเรา การศึกษาจึงไม่มีการจะไปศึกษาที่อื่นศึกษาที่นี้รูปที่นี้เข้าใจที่นี้ก็เลยเป็นโลกกวิทูเพราะไม่มีการติดข้องรูปโลกทั้งสามการมาโลกเป็นอย่างไรรูปประโลกเป็นอย่างไรอรูปประโลกเป็นอย่างไรเข้าใจเป็นโลกกวิทูในตัวรงปหมดไม่ต้องไป เกี่ยวนู้นเกียวนี้ก็เห็นกิเลตมีในจิตในใจมันได้รับความเดือดร้อนขนาดไหนกิเลตหมดไปมันเป็นอย่างไรก็เข้าใจหรือปูดยาวยาวเรื่องของคนในโลกที่ลุ่มหลงกันเพิดเพลินกันหรือการมาราคาต่างๆลุ่มหลงอะไร ก็เพราะจิตใจไม่ได้ที่นี่พิจนารณาถึงความจริงธาตุขันหรือมันลุ่มหลงหรือเป็นเรื่องจิตใจหญิงชายมันมีจริงหรือที่นี่พิจนารณาใค้ถึงฐานของมันธาตุขันอันนี้ไม่เคยกำหนดยินดีไม่เคยชอบเคยจิตกับอะไรหน้าที่ของมันเกิดมาตแ้แปรปวนและแตกสลายไปถ้าไม่มีจิตอาศัย หรือร่างกายหญิงชายจะ น, นอนเทิมกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะกำหนัดยินดีด้วยกันเรากําหนดที่นี้พิจารณาธาตุขันธ์ของเราให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแน่นอนแล้วเมืก็จะถอดถอนความล่มหลงกำหนัดยินดีไปเองเมื่อเรารู้เข้าใจธาตุขันธ์ของเราเป็นอย่างไรสัตว์ทั่วไปในโลกก็เป็นอย่างนั้นที่เขาล่มหลงกันคือไม่รู้เรื่องของธาตุขันธ์อย่างจริงจัง เลยไปเย็ดมันคือมันสําคัญว่าเรื่องของความเป็นเรื่องของความสุขอาจทมที่ดีเด่นาการนั้นไม่เคยมีเคยเป็นในกิจของศาลเหล่านั้นจิตใจจึงไม่มีที่ก่อที่อาศัยเมื่อเลยไปเกาะสร้สาราุพะอาซุพังเป็นเรือไปแถวนั้นเพราะมันมีที่เกาะที่อาศัยถ้ามันมีที่กาะที่อาศัยดีเด่นแล้ว มันจะไปเกี่ยวข้องทำไมเพราะเราไม่ใส่หนอนที่จะไปเจาะไปกินของเน่าของเหม็นอย่างนั้นให้พิจารณาการไปถึงฐานจึงจะถอดถอนความยึดมั่นสำคัญหมายในจิตในใจได้ไม่อย่างนั้นจะมีวันมีเวลาหลงเรื่อยไปใจถ้าหากไม่ดัดจริงๆไม่ทำจริงๆ เป็นไปไม่ได้เรื่องการที่จะรู้เห็นในอดในธรรมพอมันเคยเศ้าเคยมองมาพอจะไปขัดนิดๆหน่อยๆมันไม่ออกต้องขัดกันจริงๆจังๆแต่เป็นแตกดับเป็นดับทางเป็นทางเมื่อแม่รู้เห็นเป็นจริงในจิตในใจเราจะไม่หยุดไม่ถอยอะไรตายปล่อ้มันตายไปสิ่งใดเหลือเราจะเอาไว้ ยอมเสียสละแต่ทำบาเพ็ญจริงจังทุกคนจะต้องรู้ต้องเห็นเพราะอาจทรมมีอยู่ในถัสถานที่นี้ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นคนกลัวตายข้ามตายไม่ได้เพราะไม่กล้าที่จะสู้กับความตายมีคนผิดกล้าสู้กับความตายไม่กลัวตายมันจะตายไปจีทางจีผลในชาติหนึ่ ง, งฝังจิตลงไป ตั้งมั่นทีนี้พิจารณาอาัดทำเมื่อเราต่อสู้จริงจังมันเป็นเรื่องโกหกพกรมของกิเลสตัณหาห้ามกัน้นไม่อยากจะให้เราภาวนาไม่อยากจะให้เราข้ามไม่จากิเลสทำกันจริงจริงแย่จังไม่ตายครับตายพระพุทธเจ้ารีเมาสอนโลกครูอาจารย์ที่ผ่านเรื่องเหล่านี้มานับไม่ถ้วน หาตายท่านไมเลยเป็นครูเป็นอาจารย์โคตรเวลากล้าเวลาแข็งก็ตรงกล้าตรงแข็งจริงๆจงจงๆเวลาต่อสู้จะไม่ถอยท้าบกับศึกไม่ได้ต้องสู้ตายดาบหน้ามันไม่ตายก็จะแต่รู้ให้เห็นหากมันตายคนันตายไปเสียมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเมื่อเวลาถึงจุดที่จะ เล่งเวลาถึงจุดที่จะเอาเข็มแข็งเอาอย่างนั้นเราไปเพียงดุกๆเขาทํามันไม่หักให้เพราะกิเลสมันใหญ่เหมือนต้นไม้ต้นใหญ่ๆเราจะเอามือไปดุกให้มันหักมันขาดไม่ได้ต้เลี่ยงตรงตัดออกไปจริงๆแจ้งๆเมื่อเราเลี่ยงไปหยุดตัดไม่ถอยมัก็ขาดเท่านั้นมันขาดแล้วมันจะตั้งโดอยู่ไม่ได้มันจะตกพังลงมา นีใจิตใจที่ห้ามหันกับเรื่องกิเลสตัณหาก็ทำนองเดียวกันเราต้องสู้จริงๆจรางๆเพราะมันเคยเป็นเจ้าหัวใจมนาะเป็นเวลานานป็สนสาวกีพบกีชาตมันจถ้าเราทำเล่นมันก็จะเป็นใบแบบเก่าเราจะทำจริงใครดีใครชั่วก็จะเห็นกันนี่เวลาเรา จะต่อสู้จริงจังต่อสู้อย่างนั้นการทําเล่นไม่ค่อยเห็นผลจริงจังก็จะต้องทําจริงคนไม่กล้าไม่สามารถที่จะข้ามจากที่เหลือปัญหาได้คนโง่ก็ไม่มีทางที่จะสอนตัวให้ละชั่วบุญเพนดีได้าําสอนเขนาพระเจา้าสอนให้ขยันหมั่นเพียรสอนให้มีสติสอนให้มีปัญญา เพราะมีความอดทนหากไม่ยากไม่ลำบากง่ายง่ายใครต้องการอยากจะไปเทนิพานก็ไปได้อย่างสะดวกสบายใครเล่าจะมาก็เกิดให้ทุกอย่างลำบากทับถมตัวของตัวอยู่อย่างนี้นี่มันเป็นเรื่องของยากคนที่ต้อพึ่งปฏิบัติได้เห็นเป็นรู้จิงหายยากเราคนหนึ่ง เป็นเป็นนักลบนักปฏิบัติถือว่าพุทธทางธรรมังทั้งทางสร ะ, ะ น, ขาานัขจัญไม่ได้ถือว่าคนมีจิเลตัญหาสรณัะะงขจาญเราจะต้องมุ่งหน้ามุ่งตากระทําบําเทนพระพุทธเจ้าหรืออาหัดอาหันท่านไม่ตายท่านก็มีอวัยะวะร่างกายมีธาตุขันเหมือนเราทําไมท่านจึงมีจิตใจกล้าแข็งอย่างนั้นเราทําไมจะเป็นคนอ่อนแอ เร็วไหลายคนเดียวดีเดีดปดตัวเดียวกันตันหาอันเดียวกันปวดเรื่องขาดเรื่องขันก็อันเดียวกันอีกจะมารุ่มมาหลงมาเกิดมาเพลินทําไมขันเห็นว่าของนี่เป็นของใหม่ดีของนี้เป็นของสกปรกของนี่เป็นของอี่น่ายเสียหน้ากลัวแล้วเราทําไมมาหยิบมายืมมาแบกมาหามเอาเรา เป็นคนบริสุทธิ์หรือยังเป็นคนดีหรือยังมันที่นิ้ที่เจอนามันแนสอนตัวมันฝึกฝ น, นตัวทำขนาดนี้ยังไม่ยุ่ไม่เห็นทําให้เข้มแข็งเข้าความผาดความเพียนมันไม่เหลือวิสัยถ้าเหลือวิสัยทำไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นในโลกมีแต่เหลือวิสัยเพรูะขี่ตีผาดเพียนพยายาม พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักอยากจะให้พวกวกเราทุกคนขาบเพียรพยายามทำลายกิเลสตัณหาความสุขของจิตของใจเป็นอย่างไรจะประทับในจิตในใจของผูง้ฝึกผูอ้อบรมถ้ากล้าหารถ้าเต็มใจต้เพื่อปฏิบัติมันเป็นไปได้นี่ไม่เต็มใจทำพอเป็นที่จรีตองเท่านั้น เดินยังคงว่าทําท่านั่งภาวนาก็งเพียงทําท่าไม่ทราบว่าใจมันอยู่ในอาดในธรรมหรือมันลอยมันวิ่งไปตามสัญญาอารมณ์อะไรกว่ามันอิ่มมันพอกลับมาว่าตัวเดชภาวนานเดินยงกคมเอออะขนาดนี้ภาวนาขัดเอาละเอาละอะไรหรอได้อะไรถือว่าเอาละมันได้หมอนน่ะเหรอนั้นหรือมีอะไรตกไปอะไรที่จะ ควรพอว่าเาละยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ยอมเวลาเราทานไม่อิม่มเราก็ยังไม่ยอมรู้จักที่เวลาทําความดีทางภาวานาไม่รู้ไม่เห็นอะไรจะเอาละทำไมสอนใจของตัวมันกะทําบาเพ็ญเพราะทุกคนก็เป็นผู้ใหญ่แล้วว่าจะกะทําบงเพ็ญสอนตอนขงตนได้ไม่แช่ว่าจะให้ ท่านเป่าหูอยู่สมามเสนอจริงจะเกิดทําท่าหลับหูลัตาภาวนาเมื่ออยู่แต่ตัวเม้าต่คุยคุยเกิดเคลื่อนเรื่องอื่นอย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าไม่แต่ผู้มาปรืพื่อปฏิบัติให้มันฝึกอบรมตัวของตัวแต่่เรามาเล่นเรามาทําจริงรทพุทธเจ้าไม่ใช่คนเล่นเป็นคนจริงจึงได้ของจริงมาสอนโลก พวกเราทั้งหลายถือว่าท่านเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราท่านทรงคือปฏิบัติอย่างไรเรา ค, ควรจะนำข้อวัดปฏิบัติการฝึกวบรมของท่านมาดักกายวาจาใจใจของตนนี่แหละเรื่องธรรมะที่จะเกิดขึ้นแกพระพุทธเจ้าหรืออรหรันตอรหันต์ไม่ใช่ของเล่น เราเองจะมาทำเล่นจะเห็นผลอย่างท่านเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นขอพวกอาจรทั้งหลายจงนำไปที่นิสิจเจรณาสอนใจของตนการอาธิบายธรรมะขอเห็นว่าพอต้องกวรจ เ, เจรเวลาขออยุสิเพียงแค่นี้ได้หร